ที่สำหรับบ่าวกับนายเพราะบรมศาสตราก็สอนลุกขึ้นทำการงานก่อนนายเลิกการงานทีหลังนายถือเอาแต่ของที่นายให้อย่าไปรักจอบรักเสียชีทำการงานให้ดีขึ้นอย่าเห็นแก่มากง่ายห้านำคุณของนายไปเสดอเสือนในที่นั่นสำหรับนายจะทำกับลูกจ้าง หนึ่งจัดการงานให้ทําตามสมควรแก่กําลังสองด้วยให้อาหารนรางวันสามด้วยพยาบาลในเวลาเจ็บไข้สีด้วยแก่ของไม่รถแตรปราธากินห้าด้วยปล่อยในสมัยในสมัยวันทิศวันเสาร์วันศัสอะไรปล่อยนั่นที่ไหนพระพุทธศาสนาไม่สอนเลยสอนโลกต้งโตง้ส่วนพระเนนสอนอัตคัดกว่านี้เองเพราะขอเขากิน นี่สวนคารวาสพระเนรผีว <Österreich> ่าวางองก็เ cool. ป็นเลขเล่นเลขเล่นผ้ากับเขาซะมันก็ว่าจริงจรงผู้ดีก็มีพระผู้ดีก็มีผู้ชั่วก็ก็ก็มีเหมือนกันประชาชนก็เหมือนกันผู้ดีก็มีผมไปผู้ชั่วก็มีผมไถ้ามีแต่ผู้ชั่วผู้ดีก็สืบ โรกไปไม่ได้มันก็ต้องมีผู้ดีอยู่เหมือนกันถ้ามีแต่ผู้ชั่วผู้ดีก็สืบโลกไปไม่ได้พระก็เหมือนกันถ้าไม่มีพระดีก็สืบพระพุทธศาสนาไปไม่ได้ความมีกบความชั่วมันก็สลับกันมาถ้าไม่มีดีก็ไม่มีชั่วถ้าไม่มีชั่วก็ไม่รู้จักว่าดีถ้าไม่มีนักวยเอกมันก็ไม่รู้จักว่านักวยโทถูกไหม <laughs> แต่จะอย่างไรก็ให้เอาผู้ดีเป็นอย่างอย่างคำสอนพองพุทธศาสนาเป็นโลกาเป็นธรรมชาธิปไตยไม่ใช่โลกาที่ปไตยไม่ใช่ประชาธิปไตยถ้าเอาประชาธิปไตยหน้าเดียวพระพุทธศาสนาไม่เอาถ้าประชาชนขาวในประชาชนมันไม่มีศีลไม่ทำมันก็ลากไปพากันลากไปตกเหวหมดใช่ไหม น่ะนะทีนี่เอาตามคำของคนมากเป็นประมาณในทางพุทธการมีบางกรณีคนมากเหล่านั้นถ้าคือเรียนจบใจเฟรกก็ตามคอามเพ็นของเธอไม่ดีก็ไม่ให้มาออกเสียงอันนี้เธอไม่มาก็ตามชาวโลกของเรามึงไม่มากูจ้างมึงตังกูมีใช่ไหม ถูกไหมเ <Yeah. S 1> นี่ยเมื่อเวลาชวนแจมาขอความเป็นธรรมด้วยขอความเป็นธรรมด้วยขอความเป็นธรรมจะขอความเป็นธรรมจากศาสนาใดอ๋อพระอาทิตย์ก็บอกว่าฆ่าสัตว์ไปสวรรค์ถูกไหมกหม็ต้องขอจากศาสนาพุทธสิถูกไหม เส้นทางหนี่ชาวโรคของเราจะเจระินพระต้นไม่ดีตนไหนก็ตีเตียงตนเข้าคารวาสตนไม่ดีตนไหนก็ตีเตียงตนเข้าเท่านั้นพอแล้วถ้าจะไปขี้เหียกันนั้นเธอไปอย่างนั้นเธอไปอย่างนี้เธอไปอย่างนั้นเธอไปอย่างนี้ตื่นเส้นมากรเถียงกันกนักข่ำเท่านั้นจู๋ไหม ใครไม่ดีตอนไหนก็ติดก็ทำให้ดีซะพระก็ดีฆราวาสก็ดีก็หมดเรื่องกันเพระพาะงอยู่ไนมีแล้วดิ่งมีแล้วถูกไหมทีนี้ปารลบอะไรปารลบอีกสักพูดคนเดียวมันน่าเบือ่อ ก็นะแก้ไขเข้าหาศีลธรรมสิคนเราให้ใจถึงในทางทำดีจะไปถึงในทางทำชั่วให้เป็นผู้มีอิสระในทางทำดีอย่ามีอิสระในทางทำชั่วให้เป็นผู้ใจถึงในทางทำดีอย่าเป็นผไปใจถึงในทางทำชั่ว ทีนี้ไม่แรงพึ่งมันก็บอกว่าประชาธิปไตยของมันใช่ไหมมันก็บินสูงไม่แรงวันมันก็บอกว่าประชาธิปไ э ตยของมันใช่ไหมปลาลดตอาไหลมันก็บอกว่าประชาธิปไตยของมันใช่ไหมแต่แต่ละอย่างละอย่างมันก็ถูกอยู่กับฐานะของใครของมันใช่ไหมไม่แรงพึ่งมันก็บอกว่าไม่แรงพูดมันก็บอกว่าโลกเขาพาเป็น โรคทิพย์ใจทิพย์ทำทิพย์มันอหลายวันก็บอกว่าโรคเขาพาเป็นพาไปเหมือนกันแต่ว่าอันไหนดีก็ต้องอยากเอาทีนี้พระพุทธศาสนาสอนมนุษย์สมบัติเต็มภูมิแล้วอบัยมุขพระพุทธศาสนาไมาให้มีแต่ชาวโลกมีแต่ไม่ให้บังคับให้เห็นเองถ้าบังคับเดี๋ยวมันก็ขบคืน พระบระมาศาลาพระบรมศานาเตือนแ้เ ข, ขนาดไหนเธอเชียบดูดูก็เลยหายความสงสัยถามสอนให้เห็นเองถ้าบังคับเนี้ยมันก็ขบฏคืนเพราะมันไม่มีสัทธาใช่ไหมให้เห็นเองให้ม้อให้เป็นผู้เห็นเอง ทำไมคำสอนในพุทธศา ส, สนาจึงไม่ได้แก้พระท่านผู้ไม่มีกิเลสบัญญัติไม่เข้าข้างตัวใช่ไหมพวกที่มีกิเลสก็บัญญัติเข้าข้างตัวมันก็แก้กันบ่อยๆถูกไหม <c oughs> ถ้าพุทธศาสนาปกครองเป็นธรรมาธิปไตยอ๋อ พวกช่าไม้จะเก่งจะเรียนจากประเทศนอกมาก็าตามช่าขว้ า, างชาทิ้งดึงไม่ได้ทิ้งระดับหน้าไม่ได้ทิ้งเครื่องวัดเครื่องตวงไม่ได้อ้วดหมายกดหมู่กดพักกดพวกจะตั้งตามอัตโนมัติและพักพวกของตนมันก็ไม่ถูกก็ต้องอาศัยคําสอนพระพุทธศาสนาเป็นแว่นเป็นกระจกเงาทีนี้คําสอนพระพุทธศาสนามีนะวิธีระงับอจิกรก็มี วิธีที่จะเกิดอัจิกรก็มีวิธีนับอัจิกรก็มีอัจิกรนี้เมื่อเกิดขึ้นไม่รีบไม่รีบนับสีจะทําให้เกิดนานาสังหวรนานาจาักยอัจิกรบางอย่างนับด้วยสมถะเจ็ดอย่างอัจิกรมีสีความเฉียงกันว่าสิ่งนี้เป็นธรรมจ่างไรสิ่งนี้ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่ในไรเรียกวิวาธาธิกรความโจทย์กันด้วยอาบัติอันเรียกอนุวาธาธิกรอาบัติท่ากลวงเรียกอาัตตาจิกร จิตที่สูงจะต้องทํารื่จิตอาทิคอนอธิกรณะสมถะมีจิตทาเครื่องระนับอธิคอนทั้งสี่นั้นในที่พร้อมหน้าสูงในที่พร่อมหน้าบุคคลในที่พ่อนม่วัตถุในที่พ่อแม่ธรรมและสามขั้วเไนสองความได้สองสภากะให้สมมุติแก่พระทหารว่าเป็นผู้มีสติเต็มที่เพื่อจะไม่ใครสวดท่านว่ออาบัติเรียกสติเวไนยนี่ระงับแบบหนึ่งจาเลยเป็นพระรหารเป็นผู้มีสติไครบูร ไม่เป็นฐานะของจำเลยที่จะทําการละเมิดดังที่โจกล่าวหาสวดกรรมวาจาจารย์ไว้แล้วให้สติวินัยยกฟ้องของโสเสียนะครับแบบนี้แต่อธิกรทนายใดควรนะครับสมรรถะอะไรมันก็ขึ้นอยู่กับผู้ชํานานความที่สงสัปปะกาให้สมมติแก่ผู้สูญผู้หายเป็นบ้าแล้วเพราะจะม่ใครโสดท่านโดยอาวุธเทเธอทํานเวลาเป็นบ้าเรียกอมูลทาวินยัยจำเลยเป็นบ้าครั่ง ก็ไม่ควรโทรธอาบัตของเธอในเวลาเป็นมาเธอหายแล้วทําผิดใหม่ จ, จึงโทรธเรียกว่าให้อำมนลาะไรไรความปรับอาบัตตามปัญญาของจําเลยผู้รับเป็นปรับแยกปัญญาตะการะอันนี้อันหนึง่งระงับแบบหนึง่งความลงโทษแก่ผู้ผิดเียกตัปปาปิยะสิกากรรมอันนี้ระงับแบบหนึง่งตัปปาปิยะสิกากรรมต้องที่ควรเพิ่มโทษกับจำเลยมีอยู่ ให้การกลับไปกลับมาพูดถลาถลายข้อเข้าเกือน ท, ที่ถูกสักถามที่ถูกสักถามพูดมุสาเชิงหน้าอันนี้ควรเพิ่มโทษถูกไหมกฎหมายมีนะก็มีที่พอออกไปจากพระมไในทำไมไม่มีโจทย์มีมูลคือยังไงด้วยได้เห็นเองด้วยได้ยินเองด้วยมีผู้บอกและเชื่อว่าตามเป็นจริง ด้วสงสัยรังเกียจเข้ากับพืชไม่ดีแลว้วก็โจดในมูลมันมีในสังขารทเสษหรือปาราชิดโจดในมูลมัมู ล, มมลจำเลยจงเป็นผู้ให้การเป็นอย่างดีถ้าจำเริยต่อมาจงทําให้ร่าเริงซักเดี๋ยวจะให้การไม่ถูกในพระวินัยมีอยู่ถ้าจำเลยโลดโผลก็จงขู่ซักมันมีในพระวินยัย ความให้ปณีปานอมกันทั้งสองฝ่ายไม่ต้องชําระความเดิมและศรีนักพรภาระขออะไรโจดก็มีทางเท่ากันจําเลยก็มีทางเท่ากันแม่โต้ถเถียงเกี่ยงงินกันแต่เป็นอาบัตเล็กน้อยถ้าไกลเกี่ยกันสักถ้าตัดสินให้ทางใดทางหนึ่งชนะอธิกรก็จะทวีขึ้นเหตุนั่นจึงไกลเกี่ยวกันสักแต่หมายความเป็นอาบัติเล็กน้อยไม่ใช่อาบัตมัธยมโทษหรือมหันต์โทษเรียกว่าระหูโทษ มัธยมโทษหรือมันตโทษผิดก็ต้องว่าผิดจะไปไก่เกีี่ยทุกชนิดมันก็ไม่ถูกพระพุทธศาสนาสอนอย่างนั้นทีนี้ให้ค้นกันนะโมเวลแะ้วะดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาชี้ว่าประวัติไปดูไหมรรมันก็เหมือนเด็กเดี๋ยวมันรบกว น, นนั่นรบกว น, นนี่อยู่นะ ร่าายดินไปบวกดินน้ำไปบวกน้ำไฟไปบวกไฟลมไปบวกลมดินไปบวกดินคืออะไรอาหารจะเป็นของแข็งเยียกว่าดินหรออยารักษาโรคจ่เป็นของแข็งก <ume> ็เรียกว่าธาตดินที่เป็นเหลวก็เรียกว่าธาตน้ำที่อ้ที่อุ่นๆก็เรียกว่าเพิ่มธาตุไฟที่พัดไปมาเขาเรียกว่าเพิ่มธาตุลม นี่เพิ่มทารุมเพิ่มให้มันถ้าไปเพิ่มมันอยู่ไม่ไหวเดี๋ยวมันตายบาปก็ไปบวกบาปอยู่ที่ใจบุญก็ไปบวกบุญอยู่ที่ใจทบุญก็ไปฉลองบุญอยู่ที่ใจทบาวก็ไปฉลองบาปอยู่ที่ใจจำได้ใคร่อข้อจิตเป็นผู้ขอขึ้น ไม่ใช่พระพุทธ เ, เจ้าภายนอกอกมากรอขึ้นข้าพเจ้รมศรรราสดาก็มาสอนเราเป็นผู้รู้ธรรมก็จริงถ้าธรรมไม่มีอยู่ก่อนเราก็รู้ธรรมไม่ได้ถ้าไม่อยู่ก่อนเราจรึงรู้ธรรมเหตุนั้นเราจรึงเคารพธรรมไม่ทั้งคัญตัวอยู่เหนือธรรมเคารพธรรมแต่จะโยมถ้าธรรมฝ่ายสั้งขารไม่มีอยู่ก่อนเราก็ไม่รู้ธรรมได้ ถ้าทำฝ่ายวิสังขารมีไม่มีอยู่ก่อนเราก็ไม่รู้ทำได้เหตุนั้นเราจึงจำแนกแจกจ่ายออกมาในธรรมถ้าทำไม่มีอยู่ก่อนเราอะไรจะมาแบ่งมาแจกออกดินมีอยู่ก่อนเราจึงใส่ชื่อว่าดินได้น้ามีอยู่ก่อนเราจึ ง, จงใส่ชื่อว่าน้าได้ท่านใดกนดีทำฝ่ายอุศลและอัคคุศนกนดีมีอยู่ก่อนเราจึงสามารถรู้ทำได้แต่ขอให ทัพี่น้องชาวพุทธทุกชนชาติทั่วโลกปฏิบัติเองทําเองคําสอนของเราแต่ระบบระบาดนั่นเองจะเป็นศาสตราแทนเราทั้งหลายพระพุทธเจ้าองค์ไหนมาก็มาสอนอันเดียวกันไม่ได้รักร่างคาราบอรกันเลยคําสอนของพุทธศาสนาสอนโลกต้งโต้สอนมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติ กรมสมบัติต้องโต้มนุษย์สมบัติคืออะไรคือเวทอบาัยามุขทุกประเภทเรียกว่ามนุษย์สมบัติถ้าไม่เว่นก็เป็นมนุษย์วิบัติ ด, ด้วยถ้าเว่นก็พัฒนามนุษย์สมบัติไปในตัวพัฒนาสวรรค์และพมและยานพานไปในตัวถ้าไม่เล่นก็ตรงกันข้ามมุขะมุขะแปลว่าชิบหายอยู่ซึ่งหน้าซึ่งฝาก หรือเป็นปากเป็นทางแห่งความเสียหายเรียกว่ามุ ข, ขะมุ ข, ขะยกอาบายมุขทุกประเภทมันเป็นมนุษย์นิวัตดมันก็เป็นสวรรค์นิวัตดมันก็เป็นพรหมนิวัตดมันก็เป็นนิพพานนิวััดไปในตัวถ้าเห้นแล้วก็เป็นวัตถุนิยมและอุดมคติดึงกันไปในตัวก็เรียกว่าพัฒนาไปทางเจริญพัฒนาทั้งวัตถุนิยมและอุดมคติไปในตัวด้วยคำสอนพระพุทธศาสานานะสอนโลกตรงโต ทำเป็นโรกบาลคุ้มครองโรคสองอย่างความละอายต่อบาปความควรต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองลงได้ถ้าไม่มียางอายต่อบาปไม่มีความควรตวบาปแล้วก้อนไม้ก้หนหูก้อทักก้อพวกก็ตั้งมาอยู่อู๋ของทำไม่นำคำหนึง่งก็หมดที่เพิ่งพิงองอาศส่ทาคนชั่วในที่แจ้งมาได้ก็ไปทําในที่รับอืมมีน้ําซ้าก็ทําในที่แจ้งด้วยคนเราใจถึงขอให้ใจถึงในทางดีอย่าไปถึงในใจถึงในทางทาชั่ว มีอิสระก็มีอิสระในทางทำดีสัพระบรมศาสเจาอย่าไปมีอิสระในทางทำชั่วเนี่จะน้อยหรือมากก็อย่าประมาททำดีท่านพูดอย่างนั้นเรามีอิสระทางทำดีเป็นผู้ใจถึงในทางทำดีเถิดอย่าเป็นผู้ใจถึงในทางทำชั่วพระพุทธศาสนาเรามีอิสระก็จริงแต่ขอให้มีอิสระทางทำดีสักเพราะทำแล้วก็มาบวกดีอยู่ที่ใจของเราทำชั่วเราก็มาบวกชั่วอยู่ที่ใจของเราไม่ได้ไปบวกอยู่ินฝ้าอากาศท่านพูดอย่างนั้นพระบรมศาสเา ใจมีคุณเป็นมหันและก็มีโทษเป็นอนันต์ถ้าทำผิดถ้าทำถูกบุกบ่อยๆก็มีคุณเป็นมหันบ่อยๆถ้าทำผิดบ่อยๆก็มีโทษเป็นอนันต์บ่อยๆถ้าทำดีก็ไปบวกดีอย่้างใจทำชั่วเขาก็ไปบวกช้่วอยู่ข้างใจใจมีคุณเป็นมหันไม่โทษเป็นอนันต์ไปผูกคอตายก็คือใจไปพผูต้ตกลงไปผูกคอใช่ไหม พุทธศาสนาสอนอัตติอั ต, อตนโนนาโถตนเบริพึ่งของตนก็คือใจเบรนพึ้นของใจก็คือธรรมเบรนพึ้นของธรรมก็มีความหมายอันเดียวกันใช่ไหมอนัตตาบาเป็นอนัตตาที่ควรเว้นอนัตตาบุญเป็นอนัตตาฝ่ายเจลืนอนัตตามรักเป็นอนัตตาที่กลั ควรเจริญให้เกิดได้มีอนัตตาเนื้ออดเป็นของอนัตตาที่ทำไม่แก้ไม่ไม่ไมยากเรื่องอัตตาอนัตตาอัตตาทางบุญควรสร้างอัตตาทางบาปควรเว้นคําว่าเราเราในทางทําชั่วเว้นซะเราในทางทำดีควรทํามันก็มกน ไ, มไม่ยุ่งกันไม่ทำจ้ะฮะมันยุ่ง สมัยมันยุ่งว่ามันไม่ไม่ไมไมละอายต่อบาปไม่กลัวต่อบาปมันก็ยุ่งสิถูกไหมอืมทีนี้ถ้ามันไม่ละอายต่อบาปไม่กลัวต่อบาปนะมันก็ไปล่วงละเมิดชิ้นหาใช่ไหมอืมถ้าหากว่าชาวโลกมีชิ้นห้าบริบูร์นับแต่รูดยังสามาไม่ได้แต่บ้าไ้ า, าเสียชีวิตผิดมนุษย์ซะทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีเรือนจำก็ไม่ต้องมีโ้่ตวนก็ไม่ต้องมีใช่ไหม ออทหารก็ตั้งไว้มีแต่กระปั้นขนาะสูสูอย่าไปทำอย่างนั้นเนอมันไม่ต้องเอาปืนยากเลยมันสูสูอย่าไปทําอย่างนั้นเนอมันประโยชน์แล้วนะไม่ต้องเลยเอาปืนยากนะถูกไหมอืม เนี่ยนั่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงมาให้ยินดีในโลกทา้งปวงปรถทีตีติแปลผู้ย่อยยับไปเธอทั้งหลายอย่ากยินดีในโลกทั้งปวงเน้อเราหาความสุขในโลกมันไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปะเสียแล้วเหตุนั้นเราจึงข้ามทะเลหลงของตนไสปสักพระพุทธศาสนาคำ mm. สอนของพุทธศาสนาจะมาเขียนรานพระองค์ก็ตรงกันเพียงเลย พระเป็นคําสอนธรรมมาเจ้าป่าตายไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่งไม่เข้าข้างตัวด้วยไม่เข้าข้างพักของตัวด้วยใครเอาไปปฏิบัติคนชั้นต่ําชั้นสูงก็ได้ประโยชน์ทั้งนั้นเอา้านาชาที่ก่อสร้างก็ดีที่ซ่อมแซมก็ดีจะเรียนจมาจากประเทศไหนก็าตามทิ้งดิ่งไม่ได้ใช่ไหมเอา้าสมมติว่าตั้งเสาต้องเอาเดิ่งมาทาไมเอาเดิ่งมาคะเดียว ตะันตกตะวันออกทิ่ใต้ทิศเหนือเฉียงนั่นเฉียงนี่รบไปทางนั่นทานนี้เถียงกันวันยังค่ำเลยไม่ได้ตั้งในเสาอันนั้นเอาดิงาาาด่งมาเอาอาจารย์ิงมาแล้วก็หมดเรื่องกันถูกไหม <c oughs> ฉันไดก็ดีทีนี่ทีนี่การตั้งกฎอหมายนห ม, กมกูก้กพักข้อทั่ในชาวโลกไม่เอาคำสอนพุทธศาสนา มันก็เหลืองเชิงไปถูกไหมก็เรียกว่านายช่างขอสร้างไม่มีดิ่งใช่ไหมคําว่าขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมอยากขอจากที่ไหนก็ขอจากศาสนาพุทธสิใช่ไหมเพราะบางที่ท่านก็บอกว่าสิ่งที่เป็นบาปก็บัญญยากต้องเป็นบุญก็มีสิ่งที่เป็นบุญบัญอยากต้องเป็นบาป ก, ก็มีเอาเป็นประมาณไม่ได้เพราะ ผู้มีกิเลสตั้งส่วนพระพุทธศาสนาไม่มีกิเลสจะได้พระสมานุปทเจ้าวเออสิ่งไหนที่ว่าเป็นบาปก็เป็นบาปริงสิ่งไหนที่ว่าเป็นบุญก็เป็นบุญจริงสิ่งไหนที่ว่าเป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์จริงสิ่งไหนที่ว่าไม่เป็นโทษที่เป็นโทษก็เป็นโทษจริงเพราะไม่เข้าข้างไหนไม่เข้าข้างคนชั้นสูงหรือชั้นต่ำชั้นกลางเข้าพูดตามเป็นจริงของธรรมด้วย อ๋อถ้าชาวโลกมีเชนห้ามอลลี่บูลขายของก็ไม่ต้องเฝ้าโซ่ตะวันก็ไม่ต้องมืเรือนจำก็ไม่ต้องมือนอนก็ไม่สะดุ้งขวาเพราะไม่มีเวรอยู่รอบข้างใช่ไหมขายของก็ไม่ต้องเฝ้าลเะเสียหนังเสือไว้อันนี้ราคาเท่านั้นอัน น, นี้ราคาเท่านี้อันนีน้เ็ราคาเท่านี้อันนี้ราคาเท่านี้ถ้าเขาเตงว่าลมจะพัดหนีเขาก็เอาอะไรทับไว้ใช่ไหมนั่นนอนก็ไม่สะดุ้งขวาเพราะไม่มีเวรอยู่รอบข้างแตง เอาไว้มันแย่งคามืออเลยค่าเอกด้วยถูกไหมย่ำโหดพวกเราชาวชาวโลกทุกวันนี้ยาบมากทุกวันทรัพย์แานมันทำอันไม่ดีไม่ได้กันแล้วมันก็ไม่ฆ่ากันแต่พวกเราทำอันไม่ดีไม่ได้ กันแล้วอะฆ่าเลยฆ่าพไปปากเลยอืมระ อ, ะอาจริงจริงระอะอามากฮะยิ่งยิ่งกว่ายิ่งกว่าใช่นหมอืมใ น, นข้างพุทธกาลบางข้างของท่านเอาคนมากเป็นประมาณ บ า, บางกรณีแต่คนมากนั้นเธอจะเรียนจบพราไตรปิฎกก็ตามถ้าความประพฤติของเธอไม่ดีก็ให้มาออกเสียงย ก, กงไไ็ไม่ให้มาออกเสียงความประพฤติของเธอดีจึงให้มาออกเสียงจะเรียนจบพราไตรปิฎกก็ตามถ้าความประพฤติของเธอไม่ดีไม่ให้มาออกเสียงอทุกวันนี้่ไม่เป็นอย่างนั้นเสียแล้วเธอไม่ออกให้ค่าค่าคา่าจ้างตังเอาใช่ไหม <c oughs> ก็มีหนทางหนึ่งพระไม่ดีตอนไหนก็ตเตียนตนเองเข้าข้าราชกาไม่ดีตอนไหนก็ตเตียนตนเองเข้าต่างคนก็ประต่างตเตียนกันก็ไม่ดีไม่ดีอีกละไม่ไปไม่รอดอีกละถูกไหมพระผู้ดีก็มีเจ้านายผู้ดีก็มีเหมือนกันถ้าหาก ถ้ามาอย่างนั้นคนดีก็สืบโรคไปไม่ได้ใช่ไหมถ้ามีแต่คนชั่วหมดพระ ผ, ผูู้ท่านดีก็มีผู้ไม่ดีก็มีอยู่ไหนๆก็เหมือนกันอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันหมดแต่ว่าต่างคนก็ต่างมุ่งทำความดีหาหน้าใส่กันแล้วก็หมดเรื่องถูกไ้ย เบื่อไมล่ะเออเออประเทศประเทศเป็นบ้า น, หานทนานหารเป็นรู้อ่ะอมอนะทหารก็ดีตำรวจก็ดี แนวครูโรงเรียนก็ดีควรให้เงินเขามาก่าเพราะเหตุใดเพราะนอนดินกินหญ้าพวกนี้เวลาซื้อสงครามมาก็ตายก่อนเพื่อนถูกไหยพวกเราสนุกอยู่บ้านแพวกเขาแล้วนอนดินกินหญ้าล่ะบอกวิ่งก็วิ่งบอกนอนก็นอนฝื้นมาได้ ตำรวจทหารลูกหลานของหลวงปู่มีตังับมากมีตั้งรละน้อยเดียวนี่เ <c oughs> <c oughs> จว่าธรรมดาพวกมันนอกมันก็อยางแลวอยางได้ตำแหน่งสูงก็ผู้บังคับกองหรือจ่าชิดเอกเพราะพ่อผลบ้านนอกเรียนวิชาฝืด เต็มบ้านเต็มเมืองอยู่เดียวนี่ตำรวจทหารลูกหลานลงปู่พวกชาวนาก็มีมีครบพวกบวชก็มีพวกพ่ข่าไม่ค่อยมีมีแต่พวกชาวนาเป็นส่วนมากก็พวกทหารตำรวจก็พวกครูโรงเรียนมีมาก พวกที่เป็นครูโรงเรียนผู้ที่เป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันก็มีมากมีเพียงฉันนั้นยางสูงชั้นข้าราชาการนามสกุลผู้เป็นทหารก็ผู้เป็นผู้บังคับกองท่นั้นกองสเสวีวงในสมัยราัชาการที่เก็บในสมัยราัชาการที่เก็บ รัชกาลที่หกรัชกาลปัจจุบันนี่ก็มีอยู่บุตรของเราคนหนึ่งลูกหลานของเราคนหนึ่งก็จกกระเสียนแ น, เน่เป็นทหารจบในระหว่างสองสามปีมา ย, ยังคาอยู่อีกตำรวจอยู่ที่กรุงเทพก็มีมอหนึ่งอยู่พระบรมรา ช, ชวางังตำรวจมอหนึ่ง นอนเยินชิ่นยาเนอพวกนี้เนอะพวกทหารตำรวจพวกครูโรงเรียนก็เหมือนกันนอนยินชิ่นยาก็ควรให้ควรให้เงินเดือนทุกสูงบ้างพวกที่อยู่เก้าอี้เสียงกันเล่นเดินไม่มีงานอะไรเนอะนัเู้เสียตลาชีวิต ชี้ใของเขาชี้ใของเขาเขาไม่ไม่เหมือนพวกเราอือเออไอ้ะมาที่ไหนก็เอาเขาไปก่อนเออไปก่อนประเทศเปนบ้านทหารเป็นรั่วถูกประเทศไหนไม่มีทหารประเทศนั้นจะเป็นขี้ข้าเขาดูช่างไหมจริง ประเทศนั้นจะเป็นชี้ค่าเขาไม่มีทหารไม่มีตำรวจไถ่ถอนความตายได้ด้วยเวียดหมดเลยด้วยซัพย์แต่ว่าพมือคนตายมาแล้วแต่มันมยังไม่ทันมาถึงว่าก็พอไถ่ถอนได้ถ้ามันมาถึงจริงๆก็ไถ่ถอนไม่ได้เนอะแต่ว่าหลวงปู่ก็พยาบาลด้วยธรรมะอยู่ อืมอืมขาเปเรื่อยมากมองตะแกงข้ามขวาเราเห็นแต่คนอื่นตายแล้วไม่เห็นเราตายบัด น, นี้เราจะดูเราตายจะตายเพราะเขาลมเข้าลมออกแล้วก็ตั้งจิตยวดจอยนี่เขาจิตวนลงไป เล็กหน่อยแล้วก็พิกอีกไม่ตายไม่ตายพองกลงพองรกบออกทำพระพุทธศาสนาจะตายไปไหนตายก็เป็นตายเป็นแต่สังขารธรรมะไม่ตายไม่ตายรวมพลึกลงทุกข์ึ้นก็หลังคาเลยนอนขวางอยู่บนเมฆตากดว่ามันเหาะเกินไปสารพัสมันจะเป็นภาวนาเดินโยกมในอากาศก็มีตีรังกาก็มี นอนไปในอากาศก็มีเหาะไปในอากาศก็มีเดินก็ไปในอากาศก็มีแต่หมดกําลังก็ถอนออกมาเพราะมันอยู่ใต้อํานาจอ น, นิจจังบุญขนาดนี้ก็ยังอยู่ใต้อํานาจอ น, นิจจังจังเพราะมันยังไม่ใช่พนันธุ์พานมันยังเป็นสังขารไม่มีอันตรายนะหรอไม่จําเป็นอย่าไปแซงเขา เราไปแซงถึงห้านาทีสิบนาทีคนคันนั้นมาก็เพ่งกันนี้มาก็เพง่งบางทีเราไปถูกไอ้ขี้เล่ามันก็ไม่ยอมให้เข้าเราขึ้นก่อนเราไล่ ย, ลล ย, ยี่สิบไปก็ไยี่สิบเหมือนกันสองคนเรากัดฟันใส่กันอย่างนี้มาทางนั้นมาทางนี้เพง่งอ่ะี่เดียดเออ พี1 1 1 1 1 1่ยังไรอ่ะแต่ว่าตัวเองเป็การดื่มน้ำนมให้อปไปข้างหข้างหน้ากับข้ากับข้าง้ากับข้าอืมไม่นั่นแหละไม่ให้อาคารพรายากับนิสัยมันจะคือแบบ อธิษฐานไว้ ย, ยังสั่งแล้วด้กไรไม่ดึกไรก็ดีอ้อนลาบขาบยาต่อพระพุทธะประสงฆ์ทุเมื่อเพราอเขาอธิษฐานไ้เลยเนี่ยเขาตั้งสับไปเลยเนี่ยนะไอ้นี่คนสลับจริงๆเกิดเมา่อพอพอพระพุทธศาสนาเกิดของดีลแล้วมั่วแต่ถ้าเปิัดเจริญธรรมนี่ฉันวางไปแหละเจ้กากสัตริ์ได้ยังเสียมาเป็นมนุษย์ คือปมนงวดรป็นพ้นใช้ายใช้นหน้าอยู่กรดี๋เ ป, ดเป็นปูเป็นปลาเป็นเตยเป็นผี่ะมันอกัสังคมไม่มีเวลาชมอไปฏิบัติษษต้องฟพรบ่งรับพอได้รับจะผูกไดอันนี้ไม่ีเวลาอยู่ทุกวันหกกับวันน้ไม่ีเวลาไปสวรรค์เน่ยไมีเวลาอยู่ ก, ก, ก็จะไหว้พระจวดม่นได้ออกดอกไม้ตกไครบูชาเนึอารมณ์ไปแทง้งบุญ วอนมากนอนน้ำพระจใดอะไเรื่องวันนี้นะพระพุทธศาสนายังอยู่ยั่งยืนยงทรงอยู่ที่หัวใจแล้วก็เหมือนอยู่คงที่ด้วยพระพุทธศาสนาที่น่าลองจากหัวใจเราจะอยู่ได้ดีเราก็เหมือนวัดมั่สุดที่สกูลพุทธไคย ร, รานไคย ร, รกักลูกเล่าชาวพุทธผลของกรรมจะตามถึงที่สุดผลของกรรมอนามกจะตามถึงที่สุดอยู่ ทุกข้อการนานแลพถ้พุทธศา ส, สนาไ ม, ม่มีอยู่แล้วใครบฎหมายใดๆก็ตั้งไม่อยู่บูรพธรรมไม่นําคำหนึ่งก็หมดที่พึ่งพิงอาศัยทำคนชั่วมันได้เลยพี่แจ้งก็ไปทําในที่รับมีนำ้ำซ้นมันทําในที่แจ้งอีกเสือด้วยสวัสดีปีใหม่เคยได้แล้วหรือยังอะเคยได้นะ้ ในอระวิหรก็ไม่มีศิลาศาสตร์วิชาสานายชายทักวิชาหงพอร์ตวิชาศยาศาสตร์วิวชาเสนีวิชาอยู่ยงคงกระพันในพระวิัยของพระไม่มีหลวงปู่มั่นก็ไม่ได้ทําตามก็ก็ไม่ได้ร่วงละเมิดอันนี้พุทธาพิเศษก็มามีในหลวงปู่มัน่นขายพรเล็กพระน้อยก็ไม่มี พูดน่อมพออธิบายพูดหลายชาวโลกเขาก็โกรธฮะจริงก็ตอโกนไม่ได้เงินมามใช่อะไรหรอกหลวปู่เรียกว่าสวนสตุกไม่ใช่สวนแคมกอย า, ากพาันไปทำเลกเลกพระผาอย า, ากพาันไปเล่นเน้อเจ้านายเล่นเลก เราเบื่อเ้าเบื่อมากพาเขาเล่นเลขเจ้านายเล่นเลขแล้วจะเขกหัวเลยจะมารวมกันแล้วเขกหัวเลยผู้ว่าก็ากาตามนายอำเภอก็ากาตามเขกเลยไม่ชอบ เจ้านายดื่มชูราแล้วก็เคาะไม่โก้องก๊องก้องก้องเพลงเราเบื่อ <c oughs> เราไปย่อ ย, ยไปเจ้านายใหญ่มันเจ้านายไม่มีธรรมะดื่มชูลามาแล้วร้องเพลงร้องเพลงนะก็ม <c oughs> า ย, ย ม, มุกคืออะไรบ้า <c oughs> เล่นสาวก็อาบา ย, ย ม, ม, มายมุกแข่งว่าแข่งเรือก็อาบา ย, ย ม, มุาครับ นุ่งน้อยหมน้อยก็อบายามุกลงองบก็อบายยมุกลงองบลงนวดอบายยมุกทั้งนั้นลงหนังรงลิเกรงรละครแข่งมากแข่งเรืออบายยมุกทั้งนั้นดื่มโซดาเที่ยวกลางคืนไม่มีประโยชน์เชี่ยดูกันเล่นไม่มีประโยชน์เล่นการพ น, นั้นไม่มีประโยชน์พวคนชั่เวเป็นไม่เกียจคร้านทํางานในทางที่ชอบก็อา บ, บายยมุกทั้งนั้นมุขะมุขะ แฝ่ว่าชีบหายอยู่ซึ่งหน้าซึ่งปากหรือเป็นปากเป็นทางแห่งความชิพหายเพราะว่าชาเว่นแนก็เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัติเนปานสมบัติชาเว่นถ้าไม่เว่นก็ตรงกันข้ามชาเว่นนกก็เป็นพัฒนามนุษย์สมบัติได้วัตถุนิยมไปในตัวด้วยวัตถุนิยมและอุดมคติมันเข้าไปในตัวด้วยสิงไหนถูกอุดมคติ สิ่งนันก ONEY ็ถูกวัตถุนิยมชิงไหนที่ไม่ถูกอุดมคติเป็นอุดมวิบัติมันก็เป็นวัตถุวิบัติเหมือนกันเพราะมันดึงกันไปในตัวมุ่งต่วัตถุนิยมแต่ไปทำอุดมวิบัติไม่ใช่อุดมคติมันก็ดึงกันไปไม่ได้เว้นอวัยมุกเป็นวัตถุนิยมอยู่ในตัวเป็นอุดมคติอยู่ในตัวเป็นพัฒนาอยู่ในตัวเป็นพัฒนาไปทางดี ถ้ามอย่างนั้นก็เป็นพัฒนาไปทางชิ้หายพัฒนาเป็นคำกาพัฒนาไปทางชิ้หายก็มีมะแรงพุ่งมะแรงพึ่งมันก็บอกว่ามันพัฒนามะแรงวานมันก็บอกว่ามันพัฒนาใช่ไหยมันไปกินมูดกินกูดเจ้าพ่อมีสองเจ้าพ่อเจ้าพ่อมีอิที่คนทางบริสุทธิ์ เจ้าพ่อมีอิทธิพลทางทจริอผลก็กรรมก็ตามสนองนั่นนั่นนั่นผลของกรรมมันทาคอยจะทำสังคายนายอยู่ <c oughs> เป็นสารใตสวนสารตัดสินอยู่แล้วทีนี้ถ้าพวกเราไปเล่นอบายมุกมันชิบหายเงินเปนี่เป็นสียกันก็หาดอกไม้ไปทำวัดมันถ้าในการอบายมุกกระผมจะเคล็ดลาบ แต่มานเรียยต่อไปดอก ไ, ไม้ไมต้อวัดมัน <laughs> ลูกหลานหลวงปู่ลูกหลานหลวงปู่เสียไรเสียนาหมดดูทาง อ, ดอุดรนาถาเอาไว้มันก็ห้าห้าสิบาที่ดินเดี๋ยวนี้มันเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวนี้เรียกมดุด <laughs> มันเอาไปเล่นเลขเล่นผาเล่นบัตรเล่นเบอร์วดเลย เขาหาชาวกินเย็นอยู่อย่างนั้นาชาวกินเจ้ากินเย็นรับจ้าง <c oughs> ก็มีแต่เสาเรือนฝังดินไล่มาไครนาที่สวนก็เรียบวุดแต่หมอหนึ่งยังอยู่หมอหนึ่งหมอหนึ่งยังอยู่ประมาณยี่สิบยี่สิบก้กตาตนบาท ที่ดินที่นาเขามันหมอเพราะเขาแบ่งครึ่งกัน เ, าเนขาแบ่งครึ่งกันเป็นคนละห้าสิบล้านนะหมอหมอห้าสิบล้านหมอหนึ่งยังอยู่ยี่สิบเก็ดหมอนี่ยับพุทธหมอสายมือสายยัุทเอาไปเรื่องรเลยเพราะอยู่ในเขตเทศบาลที่ดินมันก็แพงยับพุทธหมอหนี่วันธยาฮัตยับพุทธ เงินเดือนออกมาก็สามีเอาไปเล่นบ้างแล้วก็ภรรยาเอาไปเล่นบ้างเล่นหวยภรรยาก็ทําเสียว่าเวลาโกรธกันที่เวลาโกรธกันบ้างก็ภรรยาก็เอาไปเล่นไพ่อีกผัวก็ไปเล่นไพ่อีก ไ, เ ล, กไเล่นสาวอีกมันก็ไปมันก็ไปอยู่ละสิเขทาทะเลากันเลยเราดีจากระตูวันจะไปอยู่เพราะลูกหลานของเรา เป็นข้าราชการนีมากคุณทำไมเราจะอาจ่านไม่ออกเนี๋ยต้องหาดอกไม้ไปทำวัดมันอาจารย์อบายมุขกัขบผมจะเคล็ดลาบแล้วทีนี่แต่นี้ต่อไปกับผมจะไม่เล่นลก็ต้องทำวัดอบายมุกขกราบราษมหมน เดินเดียนออกมาไม่พอใช้คลับอผมจะแคบดาบแล้วว่าอย่างล้งปูคล้ายๆคบว่มามีผู้มาชวนเรื่องเล่กเรื่องผาเรื่องวานเรื่องเบื่อล ง, องอปูลงปู อยากกระโดดรุ้มฉันเพลิงไหมคล้ายๆกับว่ยอยาอ่นนนะหรือวาอย่างนั้นเทียบใส่สอ ง, องกระปุกลูกปูลูก ป, ปูลูก ป, ป, ป, ป, ป, ปูต้องการอยากจะกินขี้เป็ดขี้ไก่ไหมค้ายๆกับว่าอย่างนนนะมีผู้มาชวนไปเล่นเล่นเดียบพานอันนี้มันก็ยังไม่เท่ายังยังไม่ไม่ถูกลูกปูลูก ป, ป, ป, ปูต้องการกระโดดรงรุ้มฉันเพลิงไหมคล้ า, ายๆกับพูดอย่างนั้นนะ มันไม่ไหวหน้าคนชั้นสูงชั้นต่ำมันก็ไม่ไหวหน้ามันไม่หมดไปไม่ลำเอียงเท่ากับคนชั้นสูงชั้นต่ำไม่หมดเลขก็มั่นกันคนชั้นสูงชั้นต่ำก็ไม่ลําเอียงไอ้เจ้ามือมันค่ก็ชิบหาจะตายแล้วแต่เขามีทุนมากเขาก็ทําท่าว่าไม่ชิบหาอยู่ยเฉยไอเ้เแท้ก็พอตายแล้วเจ้ามือคนรวยดูดูผู้ไหนเป็นเจ้ามือเล่นเล่นเล่นผานไปดู บ้านเมืองของเขาดูสิเขาก็ควจรจะจะตายเหมือนกันจะทำท่าจะเสียดอ <c oughs> อบายมุกก็ออบอกตัแล้วไม่มีสารตัวทอนเลยถ้าหากว่าสิ่งที่เขาเรามาตัดาใครจะโผลเข้าต้องคิด ใครไปเสียข้อทางนี่เขต้องจะมีการสอนตัวต่อของเหตุที่ทำห้าอันมากใครไปเสียทางนี้ประทางที่หายการสอนตัวต่อของเหตุท่ทน้ามากถ้าคําสอนของพระพุทธศาสนาไม่จริงอย่างนั้นพระพุทธศาสนาก็สีหานะทางและทำเตเตก็ประกาศพระพุทธศาสนาอะไรมันเป็นจริงอยู่เฉะนั้นจึงอาจถามต่อคําสอนของตนที่สอนออกมาจึงเคารพคําสอนคือธรรมะท่านม่อิทธิพลในทางพูดจริง ในพระพุทธศามนาสิ่งนี้ไม่ควรเนอถ้าทนไปร่วงละเมิดก็พิิงก้งๆก็คิบหายงก่ง ๆ, ๆเอาถังน้ำใหญ่ๆตัวโตน่าจะเจอกให้มันรั่วซะกว่าเราจะตัดขึ้นมาแต่เมื่อพ่อมันโปรตีมากแล้วจะตัดทำทำไมทิ้งฟืนใส่ไฟ เพืจะเอารุ่นก่อนคืนมามันก็มีแต่เท่าเท่าึเมืเอ่อเสียไปแล้วคุณจะแก้แค่มันอันที่แท่ก็เพิ่มแค่ใช่ไหม <c oughs> อ้าวเสียเงินมาแล้วเอาสุรามาเดิมอเอานีเอาสุรามาเดิมเสียเงินมากแล้วเอาสุรามาเดิ ม, ม, ก แ, า ม, าดมแก้แก้ง่วงก็คนผีว่าแก้ง่วงเมื่อมันเมื่อมันหายสุราแล้วมันก็เสียอะไรเงินอีกซ่อนเ่ินอีก เสื้อรายงานอีกนั่นแหะสุดาเขาทําไห้ทาไมเขาเราว่าเขาทําให้คนผีบ้ากินใครไปกินก็เป็นผีบ้าเลยใช่ไหมแต่ไม่กินมันก็เป็นบ้าอยู่แล้วใช่ไหมเล่ดเขาทำํำให้ทําไมทํำมาให้คนผีบ้าเล่นแท็กบาเข้ามาเล่นเนาะเขารู้จักรามคิดหมายอ่ะ ถ้ม er ันยุตาธเป็นผู้รู er ้จักเหตุร <satellite clothes. S 1> ู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุอย่งสุดสินีรเป็นเหตุอย่งทุกข์ถ้ฉันยุตาธรรมเป็นผู้รู้จักผลรู้จักโอสุกนผลเป็นเหตุอันนี้ทุกจนผลเป็นเหตุนี่อันนี้เป็นธรรมของพระโสดาบันถ้าไม่ใช่ได้อย่างพวกละเมิดชิ้นหน้าเลยท่าไม่ใช่ได้อย่างไร้อบายมุกเลยจริงไหนไม่ใช่ได้มันก็ไม่หนักใจเมลียงเมาเด็บเบียนเข้าตะเกียงพวกเร่ในผาอันเดียวกัน เราเล่เนี้ยเล่นขาขากับวิกับแมลงเม่ามีวิชาเท่ากันเนอะแมลงเม่ามันก็บอกว่ามันจะเป็นสุกหรืมันบินเข้าตะเกียงบินเข้าหลอดไฟฟ้ า, ฟาตายเป็นกองกอ ง, กองเห็นไหมเพราะซีเน่เนี้ยเาฝพวกแมลงเม่านี่เองตายเป็นกองกองอยู่พากัเล่นกรมโมนาวัตติโลกูสัตวลกเป็นไปตามคา กคำนิยมคำบรรดาแลแม่แรงวันมันก็บอกว่าโรคพาเป็นมแม่แรงพู่งแม่แรงพุ่งมันก็บอกว่าโรคพาเป็นมันก็กินเจซ้อนดอกไม้มแม่แรงวันมันกินมูจิโค่ก็บอกว่าโรคพาเป็นมันก็บอกว่าประชาชธิป <laughs> ไตยของมันถูกไว้แม่แรงผู้่งกับแม่แรพุ่งก็เหมือนกันนั่นนะผู้ใจถึงในทางธรรมยืน ก็ต้องได้รับผลดีตามส่วนคนฆ่าของเหตุที่ทําขึ้นได้ใช่ไหมผู้ใจถึงในทางทําชั่วก็ได้รับผลตามส่วนควรค่าของเหตุที่ทําขึ้นยงเป็นผู้ใจถึงในทางทำดีเถิอย่าเป็นผู้ใจถึงในทางทำชั่วจงเป็นผู้มีอิจฉะทําทางดีเถิดอย่มีอิจฉะทางทำชั่วทําดีก็ดีทำชั่วก็ดีก็มาบวกหรือที่ใจไม่ได้ไปบวกอรือทาอากาศผู้ได้รับผลของคนมีคนชั่วก็คือใจเอง เราเล่นแลี้วมันไม่ได้มันก็ได้รับผลเสียดายเงินใช่ไหมิหายเนะท่านี้ยังยังมองไม่เห็นทางคลิปหายฉะไหนจริงจะไปถูกทางเจริญได้ถูกไหมปัญญาจักสุจักสุคือปัญญา ทำอะไรก็ทำให้ตน okay. ทั้งนั้นทำดีก็ทำให้ตนทำชั่วก็ทำให้ตนตนคือใจใจคือตนตามสมมติจะปฏิเสธไม่ได้ทำดีแล้วยผลของความดีก็มาอยู่ใจทาชั่วกผลของความชั่วก็มาอยู่ใจเหตุก็ผลมาอยู่ห่างกันพอพอเก้าเหตุนั่งผลก็นั่งเหตุฟังผลก็ฟังเหตุเข้าใจผลก็เข้าใจเหตุไม่เข้าใจผลก็ไม่เข้าใจเหตุก็ผลมาอยู่ห่างกันพอเก้าเหตุเล่นเลกผลก็เสียหายขนาดน เหตุไม่เล่นผลก็ไม่ชิบหายไม่ชิบหายตอนนี้ อ, อย่าไปทาตอนอื่นมันก็ชิบหายเหมือนกันเอาซะม า, าเอาซะเดี๋ยวเดยวเยเขามาให้พูดมากญามวารีวะหาปุราปริปุเรนทีสังคงเลี่ยวเมื่อโยตุสิงห์เปย์ตานังอุบะกับวิจิตังวิจิรังตูมานชุบุเมืสมิสชาตุสัพเปุเรนตูสังัญโทกนันเลโธยะธา มูลีโยติระโสโยทาระโทปิฏโยยมะชะนะโคโตปิโยตุโระะตมาเตะาย ทุกีติยาะอยานาสีิชาณจังมุตาปชโนชาาโรธรรมามัทันติอายุวันูสุขังฝังด้วยพระพุทธศาสนารงพระคุ้างมีประมาณเนีประทรมีอยู่ทุกการด้วยไม่ขึ้นอยู่กัูรู้และไม่รู้ไมขึ้นอยู่ก็ผู้เชื่อแล้ไม่เชื่อเมื่อเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายทุกตนหน้าต้อตั้งใจโลกาจงประสบแต่ความสุขความเจริญในบวรพระพุทธศาสนาของพระสมานพระเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบโดยด่วนทุกตนหน้าอยู่โดยทุกเมื่อเตือนออความง อั่นแหละเสกศาสต ร, ร์เราให้เป่าหัวพุดธโทธรรมทศกงเป่าหัวให้ลงถึงใจอย่าไปเล่นเลข <c oughs> เป่าเป่าหัวให้ลงถึงใจอย่าไปเล่นเลขเป่าหัวให้ลงถึงใจอย่าไปเล่นเลขให้ถึงว่าพุทธประธรรมทศกงไปทีนี่กินชาหน้ามดื่มซะใช่ในทีนะ่ใดใส่เสือ้อสวมเสือ้อ ค ว, วใรใช่กินอะไรกินน้ำดืม่มน้ำกินสุราเสรโดนสุราไปได้มาลกหมดกันแล้วเข้าหัวนั่นแหละนายอำเภอจีดตอนสะดุดรับมาแล้วก็เตะ อ, อีกาาก็ตีนขาดีอย เราไปเล่น เ, เรียกกลับขึ้นมาอีกเล่นมากกว่าเราชิบหาย อ, อีกอั น, นเดียวกันนะนต้องเล่นเราจะไปอวดดีเถียมพระพุทธเจ้าไม่สู้พระพุทธเจ้าเลยเนอ้อท่านประสบมาแล้วพระศาสนาอย่างไรบ้างเราจึงถือพระพุทธศาสนา แล้วพระพุทธศา ส, สนาแท้อยู่ในที่ใดตอบเราเห็นคุณค่าอย่างไรบ้างเราจึงถือพระพุทธศา ส, สนาหนึ่งสองสามสี่อะไรถามตอบความรู้ในทางพระพุทธศาสนากับความรู้ในทางโลกแย่งกันไหม พระพุทธศาสนามีมนุษย์สมบัติเต็มภูมิหรือไม่มีสวรรค์สมบัติเต็มภูมิหรือไม่มีพรหมสมบัติเต็มภูมิหรือไม่มีนิพพานสมบัติเต็มภูมิหรือไม่พระพุทธศาสนาพัฒนามนุษย์สมบัติเต็มภูมิหรือไม่มีอุดมคติไปในตัวหรือไม่เขาเหตอะไรเอ้าต่อบมาฮะ พระพุทธศาสนาคำสอนไม่ร้อยกว่าโลกดอกหรือทันสมัยเขาหรือแม่ล่าสมัยหรือพระพุทธศาสนาเพราะเหตุใดรัะที่อื่นๆมีดาดินทมเถเต็มโลกประชันคันแข่งกันอยู่เรามีความเห็นยังไงเราจึงถือศาสราพุทธเอา คาแล้อะคาลองปู่แล้วเีนี่คาลองปู่แล้วถ้าอธิบายมาไดหลวงปู่จะอธิบายให้ฟังลองความคิดของพวกคุณครูเสียก่อนว่าอยู่ในระดับใดพิเจริญให้ดี ทำไมเราจึงเคารพรับถือพระพุทธศาสนาหรือหากว่าเห็นคนอื่นนับถือเราก็รับถือไปหรือหากว่ามีเหตุผลในตัวเราบ้างการที่ถือพระพุทธศาสนามีความเห็นว่าพระพุทธศาสนานี้สอนบุญบุญ ทั้งวัตถุนิยมและอุดมคติไปในตัวแล้วไม่มีบกคร่องเลยสิ่งไหนที่พุทธศาสนาไม่สอนไม่มีเลยแม้คราวาสก็สอนหมดมันพระชิตก็สอนหมดเทวดามารพรมก็สอนหมด จึงทรงพระนามาสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเต็มปู่มแล้วไม่มีสิ่งที่บกคร่องเลยจึงตรงกับคำว่าสัตถังสัพยันชนะงเจวะระปริปุ น, นังปริสุทธังพรหมจริยางประกาศเสสิได้ประกาศหมดแล้วทั้งอัตถะทั้งพยัญชนะสิ้นเชิงแล้วตามาหังพกาวันตังอภิปุจยามีตามหาหังพวกวันตั ง, ตววตงศีราสาเนา ม, ามีจึงได้ร่ยอมกราบไหว้ไม่ได้กราบไหว้แบบโง่ผู้ใดเอาปฏิบัติ ไปปฏิบัติก็ได้ประโยชน์โดยสมควรแก่ความปฏิบัติน้อยแล้วมากไม่เสียประโยชน์เลยทั้งคนชั้นต่ําชั้นสูงชั้นกลางด้วยไม่เข้าข้างตัวไม่เข้าข้างพักไม่เข้าข้างพวกไม่เข้ากับท่านผู้ใดผู้หนึ่งเป็นคําสอนที่ใครเอาไปใช้ได้ทั้งนั่นไม่ผิดเลยและได้ประโยชน์โดยสมควรแก่ความปฏิบัติพราะพระพเจ้ารู้ดีรู้ชอบแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตามด้วย พระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วพระสงฆ์ปฏิบัติชอบตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสอนเพื่นให้กระทําตามด้วยอาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสามอย่างทรงสั่งสอนเพื่อจะให้ผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นทำในควรที่ควรรู้ควรเห็นทรงสั่งสอนมิเหตุที่จะตรองตามให้เห็นจริงได้ทรงสั่งสอนเป็นอัจฉริย์คือผู้ปฏิบัติตามย่อมได้ประโยชน์โดยสมควรแก่ความปฏิบัติ โอวาทของพุทธเจ้าก็มีอยู่สามอย่างเว้นจากทุจริตคือพืชชอบด้วยกายวาจยาใจประกอบสุจริตคือพืทชอบคือประพุทธชั่วด้วยกายวาจยาใจประกอบสุดจดิตคือพุทธชอบด้วยกายวาจาจใจกระทําใจของส่วนให้เบียดเบียนตนและผู้อื่นคําสอนของพุทธศาสนะอาอ้าเบื้องต้นสอน ให้มีศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาเชื้อ่อนถ้าไม่มีศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนามันก็เป็นรากไม่าทางปลายมันก็ขบดคืนเหตุไหนจึงเลื่อมใสในพุทธศาสนามันก็แ ย, ยบคายในตนเชื้อ่อนอันนี้ไม่ถือตามโลกาเิปไตยไม่ถือตามอัตตาเิปไตยเห็นตามธรรมมาเิบปไตย อวบายมุกทุกประเภทเป็นมนุษย์สมบัติเป็นสวรรค์สมบัติเป็นพรหมสมบัติเป็นนิพพานสมบัติไปในตัวถ้าไม่ล่วงละเมิดถ้าล่วงละเมิดก็เป็นมนุษย์นิบัติเป็นสวรรค์นิบัติเป็นพรหมนิบัติเป็นนิพพานนิบัติไปในตัวทําไมชาวโลกจึงอดละมานพระชาวโลกปีนเกลียวโหธศาสนาะ ถาชาวโลกม่เพียงเกี่ยวกับพุทธศา ส, สนาแล้วชาวโลกก็ไม่อินละมานเวียนก็ไม่มีไผ่ก็ไม่มีนอนก็ไม่สะดุ้งผวาพราะไม่มีเวีนอยู่รอบข้างสอนมนุษย์สมบัติเต็มภูมิแล้วคาสอนพพุทธศา ส, สนายืนยันทําเป็นโลกขบาลคุ้มครองโลกสองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้ ถ้าไม่มียางอายตบาบไม่มีความกลัวตบาบแล้วโคตหมายโคตหมู่โคตชาวโลกก็ดีโคตประเทศก็ดีโตรตั้งไมาอยู่อู๋ของทําให้นําคํานึ่งข้อมที่พึ่งพิงเอิงอาศัยทําคนชั่วในที่แจ้งมาได้ก็ไปทําในที่รับนั่นพระพุทธศาสนารวบมัดมาแล้วทำเป็นโรคบาลคุ้มครองโรคสองอย่างความละอายตบาบความกลัวตบาบเท่านั้นจะคุ้มครองโรคได้ถ้าไม่มียางอายตบาบไม่มีความกลัวตบาบแล้วจะตั้งไว้กี่รานมันก็ไม่อยู่ ที่นี่ถ้าไมไม่กลัวต่อบาไม่เมินอาตบาปแล้วมันก็ไปล่วงละเมิดสินห้าอ้อเพียงสินห้าเท่านั้นแหละชาวโลกสงบแล้วโทษตะวัวนก็ไม่ต้องมีเรือนจําก็ไม่ต้องมีทหารก็ไม่ไม่ต้องมีตํารวจก็ไม่ไม่ต้องมีขายของก็ไม่ต้องเฝ้าอ้อโรคเอดมาจากไหนโรคเอดก็มาจากกามีสุเมาชาฌานใช่ไหะ ข้าการมีสมิธชาจารย์ไม่มีขอบเขตดพราะพุทธศาสนามีขอบเขต ย, ยินดีแต่สามีและภรรยาของตนเท่านั้นข้ากันตาอยู่ทุกหย่อมญ้ามาจากไหนก็มามาจากปานาธิบาตใช่ไหมรักจี้รักลนเวียงลาวเลี้ยงไทยเลี้ยงเก๊กเล้นจีนมาจากไหนก็มาจากอจินนาธานใช่ไหม พูดปลดปลอกลวงให้เสียประโยชน์ทั้งผู้พูดและผู้ปฏิบัติตามที่พ้พ้นต้มตุนมาจากไหนก็มาจากมุสาวาตใช่ไหมเมาแต่ไม่กินมันก็เมาอยู่แล้วค่ากันก็มาจากสุราเป็นส่วนมากจะทําชั่วก็มาจากสุราเป็นส่วนมากดื่มสุราเขาแล้วเป็นคน ประเภทใหม่ไปอีกเสียทรัพย์ก่อการทะเลาะวิวาทเกิดโรคต้องติเตียนไม่รู้จักอายทอนกําลังปัญญาผิดไหมไม่ผิดสักข้อเลยหนึ่งเสียทรัพย์สองก่อการทะเลาะวิวาสสามเกิดโรคสี่ต้องติเตียนห้าไม่รู้จักอายหกถอนกําลังปัญญานั่นผิดไหมพระบรมศาสนาสอนอ้าที่ไหนมีที่แสงที่ไหนที่พระบรมศาสลาไม่สอนอะไรไมีเลยพระพุทธศาสนาสอนโรคอย่างเต็มที่ สร้างวลีมาสี่สอง umas, สงส stay, ไขยแสนมหากับก็มีจริยาอยู่สามพุทธะจริยาทรงมาพึทเพื่อเป็นประโยชน์แก่พระพุทธเจ้ายาตตะจริยาทรงมาพึทธเพื่อเป็นประโยชน์แก่พญาธิรุไยฐานเป็นพญาโลตตะจริยาทรงมาพึทเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกจึงทรงพนามว่าโลควิตูเป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นศาสตราเอกในโลกทุกยุคทุกสมัยด้วยทุกการทุกเวลาด้วยพระพุทธเจ้าจะมากี่ล้านล้านพระองค์ก็ตามก็มาสอนอันเดียวกันไม่ได้รบลร้าพรบกันเลยมนุษย์สมบัติก็มาสอนอันเดียวกันสวรรค์สมบัติก็มาสอนอันเดียวกันพรหมสมบัติก็มาสอนอันเดียวกันนิพพานสมบัติก็มาสอนอันเดียวกันไม่มีความแม่ควาพ่อกันเลยนั่นรับภายในก็สอนหนึ่งศรัทธาเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ ศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปจาระสระเสียงของตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นสุตตะการเรียนจำทรงธรรมวิทยาการเรียนจำวิชาได้มาาในทางโลกและทางธรรม ปัญญาอรอบรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ได้เป็นประโยชน์อันนี้รัพย์เจตประการนี้ควรมีไว้ในสันดานดีกว่ารัพย์ภายนอกเมืองทองเป็นต้นควรเสวงหาให้มีในสันดานทำที่พึ่งของตนครับบุรรมมาศาสตราสอนพระพุทธศาสนาสอนย่นลงมาทําอะไรก็ทําให้ตนทำเดียก็ทําให้ใจใจคือตนตนคือใจตาวจามุด เราพุาธศาสนาสอนออมาที่นี่ไม่ได้ไม่ไม่ได้สอนพระผู้เปเจ้าภายนอกถ้าทําไม่มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ทําได้พระบรมศาสานา์ถ้ามีอยู่ก่อนเราจึงสามารถรู้ทําได้เราจึงมาจำเหนกจําแนกทำจำเหนกจําแนกเขาพูดอะไรเราไม่ทราบความ่จึงเป็นจำแนกคือจำเหนกฮะ จำแนกออาจำแนกถ้าทําให้มีอยู่ก่อนเราก็ไม่จําแนกทําได้ถ้ามีอยู่ก่อนเราจึงมาจําแนกทําเหตุฉะนั้นเราจึงเขารับธรรมแบบเต็มภูมิไม่ได้สําคัญตัวอยู่เหนือธรรมสัตถโมฆะลูกาธรรมควรเขารับประศัตธรรมถ้าทําให้มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ทาได้พระบรมสารกรถ้ามีอยู่ก่อนเราจึงสามารถรู้ทาได้พระพุทธเจ้าองค์ไหนๆก็มารู้อันเดียวกันมาสอนอันเดียวกันเลย มีพรบอันเดียวกันไม่ได้รบล้างพรบกันเลยนอประเทศกํานดใครกาะเพจิตใจเป็นผู้เกาขึ้นทําดีก็ใจเป็นผู้ได้รับผลดีทำชั่วก็ใจเป็นผู้ได้รับผลชั่วใจจปะปฏิเสธให้ตาหูสมองเลื่นกายมันก็ไม่รับเพราะมันเม่เป็ น, นใครตื่นว่ายัง